คืออันนี้ตัวอภิธรรมมัตสังกะหะมีเท่านี้จริงๆที่ที่เรียกพูดถึงอกุศลจิต12ทีนี้ก็ไปดูดีกาคําว่าอากุศลจิต12เมื่อกี้ว่าจบนะหมายถึงจบในอภิธรมรมตสังกหะทีนี้เราก็มาดูดีกาว่าดีกาท่านอธิบายยังไงในหน้า32บนะบท น, นี้ท่านอาจารย์เริ่มจะแสดงการจําแนกจิตด้วยอํานาจจิตที่เป็นไปในภูมิ ชาติและสัมปโยคะเป็นต้นกรนนนะก็อธิบายทุกคำเลยนะคำว่าจิตนี้รู้เลยนะคำว่าจิตหมายคำว่าธรรมชาติที่รู้อารมณ์ธรรมชาติที่รู้อารมณ์หรือธรรมชาติที่เป็นเหตุให้เจตสิกทั้งหลายรู้อารมณ์ตัวจิตนี้เวลาเกิดขึ้นก็ถ้าแบ่งโดยกลุ่มก็เป็นกลุ่ม กลมการมมภูมิกลุ่มรูปประภูมิอรูปประภูมิและโลกุตระเนี่ยนะถ้าโดยภูมินะถ้าโดยชาติชาติมีอะไรบ้างกุศลอกุศลวิบากกิริยาถ้าโดยสัมปโยคะการประกอบเช่นโลภะนี้ประกอบกับทิฏฐิโทสะประกอบกับปฏิฆะโมหะประกอบกับอุทธจัวิจิกิจชา ถ้ากุศลประกอบกับยานะหรือปัญญาถ้ากุศลประกอบกับปัญญาเนี่ยนะแต่ถ้าเป็นฌานก็เอาวิตกวิจารว่าไปเลยเนี่ยก็ตามองค์ฌานนั้นๆเนี่ยนะภมูมิสี่นะชาติมีสี่สัมปโยคะก็ว่าเป็นรายดวงไปเพื่อจะแสดงการจำแนกอัถะแห่งพระอภิธรรมทั้งหลายตามที่ยก ขึ้นไว้โดยลำดับแห่งอุเทศเพราะการอธิบายสภาวะแห่งธรรมทั้งหลายที่มีการจำแนกจะเว้นการจำแนกย่อมไม่สำเร็จเนี่ยนะคือการขึ้นหัวข้อจุดประสงค์ก็เพื่อจะจำแนกถ้าไม่ได้จำแนกการขึ้นหัวข้อก็ไม่มีประโยชน์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการจำแนกอุเทศที่ขึ้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะอุเทศแปลว่าหัวข้อหัวข้อที่ขึ้นมาก่อนนี่คืออะไรบ้างคือจิตเจตสิก รูปนิพานเนี่ยนะขึ้นหัวข้อแล้วใช่ไหมว่าเนื้อความแห่งพระพิธรรมมี4นะจิตเจตสิกรูปนิพานทีนี้การขึ้นจิตเจตสิกรูปนิพานอันนี้เป็นหัวข้อที่จะแสดงต่อไปทีนี้ก็ขอแสดงเรื่องจิตก่อนเป็นอันดับแรกว่าจิตนั้นมีอยู่เท่าไหร่ตามขึ้นเมื่อกี้ท่านบอกว่าขึ้นโดยภูิว่ามีสภูดเนี่ยนะ ทราบว่าตาวะย่อมเป็นไปในอัจแห่งคำว่าก่อ น, อ น, นก็เนื้อความในอุเทศนั้นดังนี้ว่าบรรดาอัาแห่งพระพิธรรมทั้งสอย่า ง, างตามที่ยกขึ้นแสดงแล้วอ่ะจะแสดงจิตก่อนคือพูดหัวข้อที่ยกไว้คือจิตเจตสิกรูปนิพพานเพราะฉะนั้นแสดงจิตก่อนว่าจิตนี้ชื่อว่าจิตชื่อว่ามีสอย่างก็คือมีสประการหรือมีสี่ประเภทเนี่ยนะ ก็เพราะทำทั้งหลายที่เป็นไปในภูมิ4เหล่านี้ประณีตขึ้นโดยลําดับการจัดโดยสี่ภูมิเนี่ยจะขึ้นต้นด้วยกามาวจรภูมิใช่ไหมรูปราวจรภูมิอรูปราวจรภูมิและโลกุตระภูมิถามว่าท่านท่านเอาอะไรมาเรียงอ่ะนะทำไมจึงเรียงแบบนี้ท่านบอกว่าเรียงตามลําดับว่าจิตที่เลวก่อนเนีย่ยนะเรียงอย่างเลวขึ้นมานะเกรดต่าสุดขึ้นไปเลวประเสริฐ ประเสริฐกว่าแล้วก็ประเสริฐที่สุดเนี่ยนะคือบาลีเนี่ยนะเขามีคำชมอยู่อยู่หลายอย่างด้วยกันเขาใช้ปัจใจในในตัดทิตเน่ น, นะเช่นว่าอุกกระะเนี่ยนะก็คืออุ ก, กรฤษแต่ก็มีคำว่าประเสริฐแล้วนะแต่ว่าอันนี้ประเสริฐกว่าทีนี้ไอ้ประเสริฐกว่ายังบอกประเสริฐที่สุด <c oughs> ก, ก็เรียงไปอย่างี้นะเช่นอกุศละจิตนี่เป็นจิตที่ ที่เลวอ่ะนะเป็นจิต ท, ที่เลวพอเป็นมหากุศลก็ประเสริฐพอรูปาวจรอรูปาวจรก็บอกประเสริฐกว่ากุศลนะส่วนโล ก, กุตระเนี่ยบอกประเสริฐที่สุดเลย น, น, นะก็เรียงขึ้นลําดับนะจากล่างขึ้นไปบนการเรียงในอภิธรรมปีกกับ อภิธรมรมตสังหะการเรียนลําดับจิตจะแตกต่างกันคือของเราที่ที่ตั้งใจเอาไว้ว่าหวังว่าเมื่อเรียนหลักสูตรอันนี้จบก็คงอ่านอภิธรรมปีดกสบายๆนะคือไม่ใช่ว่าออจบอภิธรมรมตสังหะและ้วพอละเนี่ยนะไม่ใช่เพรา ะ, ะจะประพูดระหว่างอภิธรรมมัตสังหะ ก, กับอภิธรรมปีดกประกอบกันไปเรื่อยๆเนี่ยนะเราจะได้เห็นเขาคงขึ้นแต่ว่าการเรียนก็จ ะ, ะเป็นภาระเพิ่มขึ้นเนี่ยนะ กล่าวตามอภิธรรมปิดกเนี่ยนะอภิธรรมปิดกมีการขึ้นอุเทศเหมือนกันอุเทศอีกชื่อหนึ่งเรียกว่ามาติกาเด่นนะแล้วไทยเรียกว่าอะไรอุเทศกับมาติกานะภาษาไทยเรียกว่าอะไรถ้าเป็นหนังสือนะีอุเทศกับมาติกาเรกสารบัญ สาระแปลว่าสาระก็แก่นใช่ไหมบรนนี่แปลว่าหนังสือสารบันก็แปลว่าแก่นของหนังสือจริงๆมีอะไรบ้างเนี่ยนะก็เขาก็ที่สารบันเพราะสารบันของสมัยก่อนเนี่ยเขาวางแบบเขาไม่ได้เขียนเป็นภาษาเขียนนะก็ว่าเป็นภาษาพูดเพราะเขาไม่ได้ขึ้นเรียกว่าสารบันเขาเรียกว่าอุเทศนะท่องหัวข้อไปนะที่อธิบายทั้งหมดจะแสดงตามหัวข้อเหล่านี้เนี่ยนะเขาจะขึ้นแบบนี้กัน อุเทศของอภิธรรมปิฎกแบ่งออกเป็น2คือติกะมาติกะกับทุกกะมาติกะติกะมาติกะนี้ขึ้นต้นด้วยเช่นกุสลติกะเนี่ยนะแต่ถ้าเป็นทุกกะมาติกะนี้จะขึ้นต้นด้วยเหตุ ทุกกะนิติกะนิทุกกะกุศลติกานี่ขึ้นต้นด้วยกุศลาธรรมมาเนี่ยนะอะกุศลาธรรมมาแล้วก็อัพยากตาธรรมมาเห็นไหม ที่มาใช้คำว่าติกะเนี่ยนะเพราะว่ามันจะมีหมวดสามมันจะมีหมวดสามถ้ากล่าวโดยติมาติกะนี่มีอยู่ยี่สิบสองเนี่ยนะแปลว่าหมวดสามนะกล่าวสามยี่สิบสองครั้งเรียกว่าติกะมาติกะก็เช่นกุศลติกะเนี่ยก็แบ่งเป็นกุศลอกุศลอัพยากตะ ที่เขาเรียกว่ากุศลติกะเนื่องจากว่ามีกุศลเป็นอันดับแรกเนี่ยนะในในมาติกะสาอย่างนี่มีกุศลเป็นอันดับหนึ่งก็เลยเรียกว่ากุศลติกะแต่ถ้าจะมีอย่างอื่นอีกเขาไม่ได้เอาหัวข้อตัวแรกนะวิธีตั้งชื่อเขามีหลายวิธีการด้วยกันบางทีเอาตัวแรกเป็นตัวตั้งชื่อเช่นภาษาปัญจกะเนี่ยนะเอาตัวแรกขึ้นกุสลติกะก็ขึ้นด้วย กุศลเป็นอันดับแรกมันจะมีตั้งชื่ออีกวิธีหนึ่ง <c oughs> เช่นสุขายเวทนายสมปยุตตาธรรมาทุกขายเวทนายสมปยุตตาธรรมาอทุขมสุขาเวทนายสมปยุตตาธรรมมานี่ขึ้นต้นด้วยอะไรเวทนาเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าเวทนาติกะทั้งสนี่จะขึ้นเรียกว่าเวทนาติก ะ, ะนะก็ว่าตามสมควรบางทีเอาบทต้นบ้างบางทีเอาตัวรวมบ้างมาขึ้นตามติกะต่าง ส่วนทุกกะมาติกามี100ทุกกะแต่มีเพิ่มพิเศษอีกอเรียกว่าสุตันตะมาติกาอันนี้มี42ทุกกะเนี่ยนะทุกะย้อนมาที่ทุกกะมาติกานี่นะที่เป็นอภิธรรมเนี่ยมีอะไรบ้างขึ้นต้นด้วยเหตุทุกะกะก็คือเหตุธรรมมา นะเหตุตุธรรมมาเห็นไหมอันนี้จะเป็นโครงสร้างของทุกกะมารดิกาเอ่อเหตุตุธรรมมาคืออะไรคือเหตุหกนะเหตุตุธรรมมาบอกที่มันไม่ใช่เหตุหกทั้งหมดนั่นแหละเรียกว่านะเหตุเห็นไหมอันนี้แปล ง, ง่ายมากนะเหตุตุธรรมมาเหตุหก นาเหตุูธรรมมาบอกทั้งหมดไอ้ที่ไม่ใช่เหตุ6อ่ะเรียกว่านาเหตุตูธรรมม า, างั้นเขาจะพูดหมวดสอยงยนี้นอยู่ร้อยครั้งก็ที่เราคุ้นเคยกันมากมีอยู่ทุ ก, กะหนึ่งอันนี้ใช้กันเกลื่อนเลยอันนะธรรมะที่เป็นนามกับธรรมะที่เป็นรูปเขาเรียกว่านามรูปทุกกะอันนี้คุ้นเคยมากทุกกะนี้ขายดีที่สุด ในบรรดาทุกกะหนึ่งอทุกกะนะมาใช้อยู่ทุกกะเดียวทีนี้ในพระพุทธพจน์ที่แสดงเนี่ยนะอันนี้พูดถึงคำพีธรรมสังคีนีก่อนคำพีธรรมสังคีนีทั้งหมดเนี่ยจะจะขึ้นขึ้นโครงโดยพระพุทธพจน์สวดแบบนี้ขึ้นมาก่อนว่า กุสลธรรมะกุสลาธรรมะพยากตาธรรมะสุขายเวทนายสัมปยุตตาธรรมะทุขายเวทนายสัมปยุตตาธรรมะเนี่ยไล่ไปจนจบทุกกะมาติกาเอ้ยขอไปติกะมาติกา22ติกะพอจบอย่างนี้ก็ขึ้นเหตูธรรมานะเหตูธรรมาไล่อย่างนี้จนครบหนึ่งรทุกกะแล้วก็มีเพิ่มสุตันต ม, มาติกาอีก42ทุกกะสุตันต ม, มาติกานี้เพื่อประโยชน์ว่าผู้ที่ศึกษาพระสูตรก็จะได้มองเห็น อันนี้เป็นลักษณะทั้งหมดเรียกอุเทศของคำพีธรรมสังขีนี้เนี่ยนะอุเทศเหล่านี้จะมีสวดคือติกะมาติกะก่อนเขาจะเอาศพไปเผาเนี่ยนะส่วนนิเทศจะสวดตรงอภิธรรมเจ็ดคำพีในในในช่วงงานศพเนี่ยนะท่านก็อภิธรรมงานศพก็เลยที่จริงของเหล่านี้มันไม่ได้เกี่ยวกับศพอะไรสักนิดหรอกนะจริงๆนะทั้งหมดนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับศพเลย แต่ถามว่าทำไมเขาจึงไว้งานศพ บ, บอกว่าถ้าไปงานอย่างอื่นนะคนเนี่ยทิ้งไปนานแล้วงานศพดูจะวางไว้ตรงนั้นจะยั่งยืนกับเพื่อนหน่อยเนี่ยนะก็เลยยั่งยืนมาจนถึงทุกวันแต่ทุกวันก็เริ่มเปลี่ยนไปเยอะแล้วแต่แรกสวดทั้งเจ็ดคำพีเลยตอนหลังไม่ได้เอาแล้วเอาอย่างอื่นแทนเอาสารพันยะแทนและอย่างน้นะก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆในที่สุดจะไม่เหลือธรรมะเลยจะเหลือแต่คําของนักกวีจะไม่มี เออเชื่ อ, อพิธ ร, รมปีดกเฉยๆว่าสวด7ขัมภำพีแต่ไปจริงๆอ่ะไม่ใช่หรอกเป็นคำของนักกวีละทีนี้พระพุทธเจ้าในอภิธรรมธรรมสังคินี้นะเมื่อพระองค์ขึ้นต้นด้วยกุศลอกุศลอภยยากะตะนี่นะทั้งรวมๆและติ ก, ตกะมาติกะ22ิทุกกะมาติกะ100ทุกกะ อันนะพอพอสาธยายหรือสวดอย่างนี้จนจบพระองค์ก็มาตั้งคําถามว่ากะตะเมธรรมากุศลาอันนะที่ว่าสภาวะธรรมที่เป็นกุศลเนี่ยเป็นไนก็คือเอาทั้ง22ตุกะหนึ่งร้ตุกะมาตั้งเป็นคําถามว่ามันเป็นยังไงอ่ะ น, นะกะตะเมธรรมมาก็แล้วขึ้นตามมาริกาไปว่ากะตะเมทธรร ม, มาเช่นกุศลาเป็นฉไหนกุศลเป็นยังไง กะตะเมก็คือเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นฉันนะตั้งเป็นประโยคคําถามขึ้นมาก็ขึ้นว่ากะตะเมทำมากุศลาก็จะขึ้นด้วยกุศลเนี่ยน ะ, ะกุศลในพผูพจน์จะขึ้นด้วยกามาวจรกุศลขึ้นมาทั้งหมด8ดดวงเนี่ยนะแล้วก็รูปาวจรกุศล อย่านันรูปราวจรกุศลอ่ะถ้าว่าโดยดวงก็มี5ใช่ไหมแต่จริงๆในพุทธพจน์อ่ะไม่ได้พูดแต่5ถามว่าพูดแค่ไหนบอกว่าพระองค์เอาเอากสินมาจับอย่านันแสดงฌานที่เกิดจากกสินฌานที่เกิดจากพรหมวิหารอย่านันอันนี้เป็นตัวอย่างนะฌานที่มาจากกสินจากพรหมวิหารแล้วก็โดย ปฏิปทาเอกอ่า น, นะเอ ก, อกเนี่ยนะปฏิปทาอีกเพิ่มสุญญาตาสุนเพิ่มอีกเยอะแยะแต่ว่าเรามาเรียนกันแบบย่อๆเอาเหลือ5ก็พอเนี่ยนะเสร็จแล้วพอจบพรองก็แสดงอรูปาวจรเนี่ยนะอรูปาวจร อีกสดวงเนี่ยนะอันนี้แสดงไม่ซับซ้อนเลยแสดงสีดวงโดดเลยเสร็จแล้วก็โลกุตระโลกุตระนั้นแสดงแบ่งชั้นแรกก็รวมๆก็คือแบ่งออกเป็นสี่ก่อนคือเป็นโสดาสกะทาคามีอนาคามีแล้วก็อรหัตตมัคคจิตพอโสดาก็มาขึ้นอีกว่าโดยปฏิปทา อย่านันเช่นจเจริญโสดาปฏิมักทุกขาปฏิปทาทันทาพินญาอยู่กนไโสดาปฏิมักทุกขาปฏิปทาขิปปาพินญาเนี่ยก็ไล่แล้วก็สุขาทุขาอะไรก็ว่าไปแล้วก็เป็นประเภทสุญญะแล้วก็มีมหาในอีก20่สิบในอ่า น, นัก็เลยจะเรียกว่าสหัสนใยก็ไม่ผิดเพราะมันมีเป็นพันพันในอ่ะนะเพราะถ้าเรียนอภิธรรมแล้วจะรู้ว่าตอนแรกๆเรียนบอกแหมมักสี่ผลสี่นิพพานหนึ่ง แต่พอเอาละเอียดจริงๆอะนะถ้าบรรลุสิบคนก็จะว่าสิบมรก็ไม่ผิดมันต่างกันจนได้นั่นแหละเาธาตุไม่ค่อยเหมือนกันอ่า น, นะพระองค์จะแสดงอกุศลทั้งนี้จบหมดเลยพร้อมทั้งสัมปยุตรธรรมแล้วเอาสัมปยุตธรรมมาแสดงแล้วก็สุ ญ, ญาตะวาระเนี่ยนะขยายอย่างละเอียดทั้งหมดพอจบอากุศลอย่างนี้พระองค์ก็ตั้งคําถามที่สอง กตเมธรรมากุศลเจบกุศลเนาะใช่พอจบกุศลก็มาตั้งคำถามว่ากะตเมธรรมากุศลก็จะขึ้นอากุศลก็จะแสดงไปโดยลําดับทั้งสิบสองดวงกุศลเมื่อกี้นี้ทั้งหมดที่กล่าวไปมีเท่าไหร่นทั้งหมดจะรวมแล้วได้กุศลแลจิตยี่สิบเมหากุศลแปดมหากตะกุศล 9. รูปาวจรกุศล4ก็จะเป็นกุศลโดยย่อ21เนะพอสแสดงกุศลจิต21พร้อมทั้งเจตสิกพร้อมทั้งวาระต่างๆจบก็มาขึ้นอากุศลจิต12นี่นะก็โลภะโทสะโมหะ12ก็อย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยนะตอนแรกพอจบอากุศลจิต12ก็ตั้งคำถามว่ากะตะเมธรมมาอัพยากตะอัพยากตะเป็นฉะไหน อพยากตะก็แบ่งออกเป็นอ่นะกิริยาอยสมภารไปวิบาวิปากะอพยากตะนนะพอจบวิบากก็ขยายวิบากวิบากของอกุศล12วิบากของกุศลทั้งหลายเหล่านี้จนจบเนี่ยนะพอแสดงวิบากจิตที่เป็นกุที่เป็นของผลของกุศลอกุศลจบก็แสดงวิบ กิริยาอัพยากตะแสดงกิริยาที่เป็นอัพยากตะพอแสดงกิริยาที่เป็นอัพยากตะเสร็จแล้วก็อภยากตะมีเท่านี้ใช่ไหมเฉพาะจิตกับเจตสิกเท่านั้นหรือ